พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15มิถุนายน2560มีชื่อเรื่องว่าเคารพแล้วขออย่าได้ใจดำเมื่อวานพวกเราบวชพระ สองรูปแต่ยังมีอีกสอง น, ะนาหนักหนัยังอยู่สองคงจะนู่นละคงจะดูไปอีกซะก่อนคงจะเป็นรวมหนากรวมหนาคใหญ่วันที่หนึ่งเหลือจากก่อนนั้นก็ได้ดูดูเหตุการณ์ก่อนนะแล้วก็วันนี้เป็นวันวันพระราชที่สิบห้า มิถุนายนพุทธศักราช2560เมื่อวานหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการบวชทพุทธประวัติพุทธประวัติในการบวชในการหนีออกจากเวียงวังเสด็จออกไปจากเวียงวังไปสู่ป่าบวชแล้วก็บำเพ็ญ พระมาหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินไปอยู่ในป่าถึงหกปีนะอันนี้คือหลวงพ่อได้พูดเมื่อวานแต่ที่ได้มาพูดถึงความเคารพสักการะของพระสกนิกรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเราจะเคารพอะไรในพื้นปฐพีเนี่ยในโลกเนี่ยจะให้ความเคารพสูงสุดคือเคารพอะไร ถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะทั้งเบื้องตน้นท่ามกลางและลาาสุดนะเราวิเคราะห์ออกมาแล้วเรื่องพระธรรมคําสอนของพุทธะเนี่ยไม่มีคําสอนใดที่จะเหนือกว่าในความรู้สึกของพุทธบริษัทนะถ้าเป็นบริษัทอื่นเขาก็คงจบ ยกย่องบริษัทของเขาอันนั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าพูดเราในพูดในบริษัทของเราเนี่ยพุทธบริษัทของเราเนี่ยเราก็มั่นใจที่เราเข้ามาในในจุดนี้อย่างพระสงฆ์หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลวงพ่อเนี่ยกระบอมอกกายถวายชีวิตทั้งชีวิตในพระพุทธศาสนาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทําไมยังพูดอย่า ง, งานั้นเพราะหลวงพ่อตั้งแต่ เกิดมารู้เรียงสาภาวะอายุเพียง11ออย่าง12บปีหลวงพ่อก็ได้บวชเป็นสมณีในพระพุทธศาสนาจนมาถึงปานนีหละอายุ72ปีแปลว่าฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลาทั้ง60ปีทั้งพระด้วยทั้งสมณีด้วยสมณเแป8ปีพระห้าบปี 60สปีนีแต่นี่ถ้าหาว่าถามถามหลวงพ่อนะผลหลวงพ่อได้มาอยู่จุดนี้ที่จะให้เคารพสักการะนะการสถานที่บุคคลในโลกเนะี่ยเราจะเคารพยังไงหลวงพ่อจะเรียงลำดับให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาในะความรู้สึกของหลวงพ่อนะ แต่เราก็ไม่ได้บอกทุกคนให้เป็นแนวความคิดอย่างหลวงพอ่พอเพราะหลวงพ่อเนี่ยบอกแล้วว่านาน า, นาจิตตังน า, นานาทัศนะนานาความคิดเห็นนะหลวงพ่อก่อนมีความคิดเห็นจุดหนึ่งแต่ความคิดเห็นของหลวงพ่อเนี่ยจะบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังจากหลวงพ่อเนี่ยเป็นยังไงนี่เห็นด้วยไหมเรือไม่เห็นด้วยอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลาย จะให้เห็นด้วยทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ถ้าให้ว่าเห็นด้วยทุกอย่างพวกเราก็คงจะมาบวชอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะฮะอันนี้ก็หลวงพ่อดูแล้วพวกเราทั้งหลายคงไม่บวชถ้าไม่บวชก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยนะ เ, เราก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วนะแต่ว่าเห็นส่วนลึกในเห็นด้วยบางอย่างก็เห็นด้วยแต่บางอย่างก็เห็นด้วยแต่ไม่สามารถปฏิบัติแบบหลวงพ่อได้ฮะอย่างนั้นก็มีนะแต่นี่เรามาพูดถึง ปวงวานก็พูดถึงพุทธประวัติประวัติของพระพุทธเจ้าให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาความเป็นมาของพุทธเบื้องต้นเป็นยังไงแต่ี้เมื่อท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนะ่ยเราก็ได้พระองค์ก็ได้นําพระธรรมคําสั่งสอนออกมาประกาศเผยแพร่แต่พวกเราเป็นพุทธบริษัทนันดทำงานหรือว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทพุทธเน่ย พุทธบริษัท4ี่คือภิกษุสั ม, มนเนอุบาสกกุบาสิกาเเราดีพิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่า ง, งยงิ่งหลวงพ่อวิเคราะห์ดูแลว้วว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยปณิยานิกระรรมเป็นธรรมที่สอนออกมาแล้วให้โลกทั้งโลกได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าท่านผู้ใดอยู่ในที่ใดถ้าหิวก็หายน้าดื่มน้าเข้าไป ผู้นั้นจะได้รับความเย็นชํำหรือมีความสุขเมื่อได้ดื่มน้ำนี้ก็เหมือนกันน้ำอมตะธรรมของพระพุทธเจ้าก็าลักษณะอย่างนั้นหละที่พระองค์ได้ประกาศเผยแผ่ออกมาในพระธรรม 84,000 พันพระธรรมมากขันท่านุก ป, ปู่ใดนำปฏิมาปฏิบัติแล้วจะเป็นการอยู่ด้วยกันก็ติก็ตามจะเป็นกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าวางไว้ก็ตาม หรือแนวความคิดของพุท ธ, ธควรจะคิดอย่างไรถ้าคิดตามแนวแถวของพุท ธ, ธก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นหนทางไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขทุกระดับเป็นฆราวาสก็มีความสุขในความสุขในฆราวาสถ้าเป็นพระสงฆ์ก็มีความสุขในระดับพระสงฆ์จนถึงทุกๆคนมีสิทธ ที่สามารถที่จะเป็นเศรษฐีได้ถ้ามีความหมั่นขยันไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าพระถ้าว่าพระไปขยันพระก็ยากจนได้ฆราวาสไม่ขยันฆราวาสก็ยากจนได้แต่ฆราวาสเป็นผู้มีบุญบารมีมาเก่าพระก็เหมือนกันแล้วก็บําเพ็ญไปขยันก็เป็นเศรษฐีได้เศรษฐีคืออะไรคือพระหัน์ เรีพระโสดาสกทาคาอนณาคารคหรือเป็นพระ อ, อริยสงสาวกเป็นพระอริยสงสาวกเป็นผู้ไม่ตกต่ำอันนี้คือลูกศิษย์ของพุธธทธะที่ยถ้ามาพูดถึงความเคารพความเคารพเนี่ยเราก็ต้องยกให้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็น สูงสุดในพุทธบริษัทพวกเรายกให้ว่าสูงสุดในหัวจิตในจิตในใจของพวกเรานะแล้วก็ยกพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่สูงสุดที่ออกมาจากใจบริสุทธิ์ของพุทธนะดอกมันกับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้สาเร็จมรรคผลเป็นลําดับเลยเออท่านภาษารีบุตรเป็นอันดับหนึ่ง พระโมคขาลาเป็นอันดับสองเนะีเป็นอา克拉สาวกซ้ายขวาเนะ่ยจากนั้นก็ท่านอานน์พระมาหากระสปะอัจฉริมหาสาวกนะ80ดสที่พระพุทธเจ้ายกย่องในครั้งพุทธกาลนะแล้วก็เนี่ยต่อมากับเป็นพระสาวกทั้งหลายทั้งปวงล้วนแล้วจะเป็นพระอรหันต์ล้วนเราเนะี่ยเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เคารพพระสาวกที่พระพุทธเจ้าได้ยกย่องทั้งหลายเคารพในภิกษุณีแต่ภิกษุณีเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ไม่ให้ภิกษุกราบนะภิกษุณีบวชมาร้อยปีทั้งเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามต้องกราบภิกษุที่บวชในวันนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยแต่ว่าภิกษุณีท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ แต่ในใจของท่านนะเป็นพระหรันแต่ว่าการกระทําภายนอกเนี่ยท่านต้องแสดงความเคารพคารวะเมื่อท่านได้ทำแล้วท่านยิ่งอ่อนน้อมนะพระเพระหรันผู้มีธรรมในจิตใจจะเป็นเป็นระดับใดก็าตามถ้าผู้มีธรรมในจิตใจแล้วต้องอ่อนน้อมนะไอ้แต่ผู้แข็งแขงไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำนะพวกกิเลส ท, ทั้งนั้นถ้าว่าผู้ที่มีธรรมในใจแล้ว ต้องอ่อนน้อมคารวะนะแต่ถึงท่านจะคาราวะภิกษุที่บวชใหม่ก็ตามนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายต้องเราก็ต้องน้อมนึกคารวะในธรรมของท่านเนี่ยที่เป็นภิกษุณีเนีนะ่ยเป็นผู้หญิงนะีถึงจะท่านจะเค า, ารพคารวะเราก็จริงแต่เราก็ต้องน้อมคารวะในธรรมของท่านที่ท่านได้สาเร็จเหมือนกับไข่ไข่ถ้าว่าถ้าลูกมันอยู่ใน ในกระเป๋ออยู่ในกระเป๋ะอยู่แปลว่าไก่ตัวนั้นยังเป็นน้องนะยังเป็นน้องนะต่ว่าไก่ตัวไหนกระเทาะกระเทาะฟองฟองไข่เอาจะงอยปากจิกเปลือกไข่แตกออกไปเป็นตัวแล้วก็ออกไปข้างนอกเป็นตัวไก่อันนั้นคือพี่นะแปลว่ากระเทาะฟองไข่ อ, อกได้แล้วนะนี่ก็เหมือนกัน ผู้ที่จะมียมศธานบรนดาสักสูงสงขนาดไหนก็ตามแต่อยู่ในกิเลสอยู่ในกรอบอยู่ในเปราะเหมือนกับเปอกไขนะ่ยังเป็นน้องนะเ อ, อผู้ที่กระเทาะปอกไข่ออกไปฟองไข่ออกไปได้แล้ว น, ะนั่นแหละคือพี่นะถึงจะเป็นฐานะยากจนค้นแค้นขนาดไหนอนาถาขนาดไหนแต่เป็นผู้กระเทาะเปลือกไข่ออกได้นั้นคือพระอรหันต์แล้วนะนั้นเป็นพี่เป็นพี่ของพวกเรา พวกเราทั้งหลายทั้งปวงนะนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุทธะจากนั้นเราก็เคารพผุนพีเคารพพีที่กระเทาะพองฟองไขออกก่อนนี่แหละพวกเรายังอยู่ในปลอกไขคือกิเลสตัณหาราคะโลภโกรดหลงอยูนะ่เรายังออกไปได้ยังไม่มีช่องทางแต่อีกสักวันหนึ่งเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเราก็ต้องออกได้นะแต่นี่เราเคารพ ผู้ที่ออกได้นะคือพระหรันจะเป็นหญิงก็ตามจะเป็นชายก็ตามผู้ได้สําเร็จเป็นพระหัน์นั่นแหละสมควรยิ่งที่จะต้องเป็นจะทำจะถูกและเจดีเป็นที่เคารพสักการะของมนุษย์เทวดาลและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้คือพระหรันไม่ว่าหญิงมาชายพระหันหญิงก็มีตั้งเยอะแยะในครั้งพุทธกาลแต่ที่มาพูดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรามาถึงยุคเราเท่ เราก็ต้องเคารพนะแต่หลวงปู่มั่นเราก็เคารพนะหลวงปู่เสาเราก็เคารพแต่หลวงตามหาบัวสำหรับหลวงพ่อเองนะหลวงพ่อก็ให้ความเคารพเพราะว่าเพราะท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวหลวงพ่อนะแต่หลวงตามหาบัวท่านก็เคารพหลวงปู่มั่นใช่ไหมเออเราก็เราก็ไม่รู้หลวงปู่มั่นเป็นยังไงหลวงตาพาเคารพก็เคารพไปอย่างงั้นล่ะ เพราะเราไม่ได้อยู่กับท่านแต่เขาลบลงตาลงปูร่าได้มากกว่าเพราะอะไรเพราะเราได้ศึกษากับท่านอย่างที่หลวงพ่อไปเห็นตีวัดป่าบันตาดอาจารย์มาจากจุฬาอาจารย์หมออาจารย์แพทย์นะศาสตราจารย์แพทย์มาจากจุฬามาจากศิริราชนะอาจารย์หมอขอนแก่เนี่ยโอ้โหเอเขาลบผิดหน่อพิบคล้คล้ายหวด อ, อ่ น, น้อมถอมตนยกมือไหว้และยกมือไหว้อีกนะเพราะท่านรู้เราเป็นอาจารย์ของท่านเป็นผู้ชํนานาญทางไหนที่ได้ท่านได้ศึกษากับคูบาอาจารย์เหล่านั้นแต่ลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ขอนแก่นพอไปเรียนมาจากขอนแก่นอาจารย์ขอนแก่นเห็นอาจารย์เหล่านั้นเท่ากับเฉยๆอีกแต่เห็นอาจารย์ของตนเองมาจากขอนแก่นโอ้โหเขารบแล้วขอรบอีก ยกมือไหว้แล้วยกมือไหว้อีกก็เป็นอาจารย์นั่นแหละมันมันถือเป็นทอดๆ อ, อย่างนั้นนะครูบาอาจารย์ขนแก่นที่จบมาจากศิริราชมาจากจุฬาขั้นก็เคารพในอาจารย์แต่อาจารย์พวกหมอคณะแพทย์คณะหมอเมืองอุดรเนา่ยก็เคารพหมอที่ขนแก่นที่เป็นอาจารย์ของตนเองเพราะได้รับความรู้ความฉลาดมาจากหมออาจารย์หมอเหล่านี้ แต่ไม่ได้รับความรู้ความฉลาดมาจากหมอจุฬาจิริราชนะนี่แหละคือความเคารพมันมันเป็นขั้นตอนอย่างนั้นนะจะกนี้เราก็เคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคารพเพราะว่าท่านให้ธรรมะหนทางที่จะทางหลุดพ้นจากอาสวัคิเลสแล้วพ่อแม่ของเราแหละพ่อแม่ของเราเร า, เราก็เคารพเคารพในขณะที่ว่าท่านได้ให้ร่างกายของเรา ท่านเลยเลี้ยงเลี้ยงดูเรามาเราก็เคารพในระดับที่ว่าเป็นผู้มีพระคุณยิ่งสําหรับ อ, อสําหรับเราแต่จะให้เหนือจากครูบาอาจารย์ไหมอย่างหลวงปู่หลวงตาไหมที่ให้ธรรมะไหมเราก็ยังยกให้อีกอีกในระดับหนึ่งเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนทางด้านจิตใจสามารถที่จะให้บอกให้เราพ้นทุกในวัตะสงสาร ไม่เมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารแต่สำหรับพ่อแม่ของเราเลียเ้ยงร่างกายของเราให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาให้รู้จักสิ่งต่างๆแต่สอนได้เพียงแค่นี้แต่พระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ถึงหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสหลวงพ่อเัยมาเปรียบเทียบว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับพ่อแม่ของเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็เหมือนกับ ปัจจัยสีกับเงินลักษณะอย่างนั้นเราหาเงินแล้วก็ไปซื้อปัจจัยสีซื้ออาหารซื้อผ้านุ่งหม่มซื้อยาแก้โรคภัยไข้เจ็บซื้อที่อยู่อาศัยเราเลยเงินแล้วแต่เมื่อเราได้วัตถุได้อาหารได้ยาได้เสื้อผ้าได้ที่อยู่อาศัยเราขายเราก็ได้เงินสรุปแล้วก็คือ เงินกับปัจจัยสี่นมันแยกกันไม่ออกเนี่ยันนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรากเหมือนกันพ่อแม่เนี่ยเป็นพระหานของบุตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นพ่อแม่เป็นพระหานของบุตรธิดาบุตรทิดาคือบุตรบุตรหญิงบุตรชายนั่นแหะเป็นบุตรธิดาเป็นพระหานไม่ใช่พระหานของทุกคนนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าพ่อแม่ของเราเป็นพระหานไม่ใช่ เป็นพระหานของบุตรธิดาคือบุตรหญิงบุตรชายบุตรหญิงบุตรชายต้องให้ความเคารพในพ่อแม่ถ้ า, าว่าทำไม่ถูกต้องกับพ่อแม่เป็นบาปอกุศลเป็นบาปหนะักถ้าทำถูกกับพ่อแม่แล้วเป็นบุญเป็นกุศลถ้ า, าว่ายุคใดสมัยใดไม่มีธรรมคำสอนเกิดมาแล้วอยู่ปงง่าตรงผงไผ่แต่ลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่เป็นผู้เคารพ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่เป็นผู้ดูแลพ่อแม่เมื่อเขาตายไปแล้วเขายังไปสู่สวรรค์ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องพ่อแม่อย่ามองข้ามถ้าเราทำบาปก็บาปหนักถ้าเราทำบุญก็ได้บุญมากอันนี้ก็คือการขอรบในพระคุณทั้งหลายแต่นี้นตามตามไม่จริงมาถึงพวกเราทนะ้อย่างพวกหลวงพ่อนี่เอง ไปศึกษาธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีรุ่นพี่รุ่นน้องนะรุ่นพี่เราก็ให้ความเคารพไปเห็นก็ต้องกราบไหว้แต่จะให้ลบเขารบเหมือนพ่อนะเป็นไปไม่ได้ลบเขารบพี่กัเขารบพ่อในต่างกันนะเราต้องเคารพพ่อมากกว่าเคารพพี่นะพีนะ่ก็คือพี่น้องเหมือนกันเราก็ต้องให้ความเมตตาตลอดถึงพี่น้องประชาชนชาตาญาติโยมทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงสัตว์ส า, ายสิ่งเราก็ให้ความสำคัญแต่ละคู่แต่ละคนเราไม่ได้ดูถูกเหยยดยามผู้ใดใครทั้งหมดเราเห็นหมาก็อือหมา ก, กรำรของมันเนาะหมาเห็นนกก็อือกำของเขาเนาะกน ก, กเกิดมาเป็นนกแต่อีกสักวันหนึ่งเขาเขาใช้กำรรหมดแล้วนะเขาอาจจะเหนือกว่าเราก็ได้เพราะบุญบา ร, รมีมันตกต่มได้มันไปสูงได้ บางทีเขาทำกรรมที่ไม่ดีเพราะทำกรรมที่ไม่ดีข้นมาเขาก็ตกต่ำอาจจะเกิดเกิดเป็นหมูหมากาไก่พอเมื่อเขาทำดีขึ้นมาเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมาอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้ในอนาคตเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงที่เขาจู่เขาทำกรรมที่ไม่ดีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมองท่านเห็นแล้วว่า กรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อกรรมชั่วพวกเราทำลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลพร้อมที่จะตกต่ำได้ให้ทำแต่กรรมดีสิ่งที่มันดีคิดดีทำดีพูดดีกรรมดีจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดจะมีความสุขเมื่อเราทำดีและเมื่อทำชั่วแล้วกรรมชั่วให้ผลเราจะได้รับความทุกขนะ์นี่แหละอันนี้ก็คือที่พวกเราท่านทั้งหลาย ที่เครพชูบูชาอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ลาก็ดีคุณแม่ชีแก้วก็ดีหลวงตาก็ดีแต่หลวงพ่อก็มั่นใจว่าท่านที่หลวงพ่อได้กล่าวมาเนี่ยคือเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้สร้างพระเจดียด์ถวายหลวงปู่ล่าเป็นประธานเป็นประธานอํานวยการก่อสร้างและคุณแม่ชีแก้วก็เหมือนกันหลวงพ่ออํานวยการก่อสร้าง แต่หลวงตาเนี่ยหลวงพ่อผักดันนะถึงจะไปอํานวยการเขาหลวงพ่อผักดันให้มีการก่อสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตานะให้ยังยังไงก็ให้ไปได้ให้เรียบร้อยราบรื่นนะเพราะถือว่าองค์หลวงตาเนี่ยคือเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านหนึ่งแต่องค์องค์ท่านเองท่านก็ประกาศให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังทวนหน้ากันอยู่แล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกนะ ถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้วเราจะตีความหมายว่ายังไงในเมื่อท่านรับรองของตัวของท่านเองแล้วก็ท่านบอกอีกว่าอยู่จุดไหนอย่างไรที่ไหนเวลาเท่าไหร่บอกชัดเจนอีกต่างหากนี่แหละคือความบริสุทธิขององค์หลวงตาแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็นานาจิตตนานานาทัศนาอีกเหมือนกันนะแต่หลวงพ่อเนี่ยเชื่อนะเพรานะนั้นหลวงพ่อจึงพาคณะจตหา ย, ยาจงลูกหลานช่วยกัน สร้างพระเจดีบู i, ชาพระคุณหลวงตาเนอร์ถ้าพวกเรายังมีพบมีชาติอยู่พวกเราจะได้บุญติดพบติดชาติต่อไปภายภาคห น, น้าเกิดมาทั้งทีชีวิตเราส่องแสวงหาทรัพย์ก็ใช่จริงเราก็ส่องหาแสวงหาแต่ว่าส่วนลึกแล้วควรจะสแสวงหาธรรมควรจะส่องแสวงหาบุญร่วมไปด้วยไม่ใช่ว่าจะหาแต่เงินคําทรัพย์สมบัตเิเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเอง aired, อีกสักวันหนึ่งก็เห็นแต่ เลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะแล้วก็เห็นแก่แล้วก็เห็นเจ็บแล้วก็เห็นตายในที่สุดแต่เราทำบุญนะเราจะไม่ตายเหรอตายแต่ว่าหลักของพุทธศาสนาตายแล้วนะ่ยไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะเพราะเราจะต้องศึกษาในจุดนี้น่ววเราตายไปแล้วต้องไม่สูญเพรา ะ, ะนั้นเราต้องทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลขู่เคียงกันไปด้วยทั้งหาปัจจัยด้วยทั้งทาบุญไปด้วยนั่นแหละ เป็นผู้ไม่ปร ะ, ม, ประมาทนะแต่เรามีแต่แ ส, สวงหาเงินคําทรัพย์สมบัติไม่ได้ไม่ได้วางแผนเพื่ออนาคตชีวิตของตนเองอันนั้นแปลว่าเราคิดฝ่ายเดียวเราไม่ได้คิดฝ่ายเรื่องนามธรรมเราคิดแต่เรื่องรูปธรรมคือบํารุงร่างกายเท่านเองแต่นามธรรมเราไม่ได้คิดไนงะเพราะนั้นเราต้องคิดทั้งสองฝ่ายในตัวของเรามีอยู่สองเลยอาหารกายก็คือข้าวน้ําโภชนะอาหาร อาหารใจก็คือคุณงามความดีในสิ่งที่ถูกต้องคือหลักเหตุผลคืออาหารใจนะเพราะนั้นเราถึงคิดถึงอาหารกายอาหารใจด้วยนะพนวันที่สิบเจ็ดที่จะถึงเนี่ยนะ ว, นน ว, นนวันนี้คือวันนี้ 15, ลลกทท็วันที่สิบห้าล่ะลูกสันหลานทศายาโยมวันที่สิบเจ็ดหลวงพ่อเขาคงจะได้ไปนั่งฟังฟังแต่แตหลวงพ่อไม่ใช่เจ้า ก, กี้เจ้า ก, การนะเป็นผู้นั่งฟังอยู่วงนอ ก, กว่าเขาจะเซ็นสัญญากันยังไง เขาเซ็นสัญญากับบริษัทบริษัทรับเหมานะก่ อ, อสร้างสร้างเจดีลงตานะประมาณบ่ายประมาณ9นาฬิกานะก็จะเซ็นสัญญาเกนาฬิกาประมาณ9นาฬิกากว่ากว่านี่แหละก็ไม่ได้เปี้ยทีเดียวหรอก เ, อเซ็นสัญญ า, เ, าเจดีลงตากับศาลาลายสองอย่างเป็นเงิน490ล้านนะแล้วก็ใช้เวลาอีก สองปีอาคารตกแต่งอีกหนึ่งปีเป็นสาสเดือนเป็นสมปีไปว่าแล้วเสร็จนะตามสัญญานะแล้วกับงวดงานของเขาก็ว่ามียี่สบสี่งวดแต่งวดแรกเนี่ยนะหนักนะลูกหลานนะฟังๆดูแต่หลวงพ่อไม่ได้เข้าไปใกล้ไม่ได้ทราบข่าวทางนอกนะงวดแรกเลย4ี่บเาล้านนะพอเซ็นสัญญาแล้วก็ต้องเซ็นเขียนเช็คให้เลยละ่ะ เขาก็พวกฝ่ายเขาก็เขียนเช็ครับค้ำประกันเหมือนกันค้ำประกันสัญญาเหมือนกัน49บล้านเหมือนกันนี่ น, นคือที่เราจะต้องจะต้องจะต้องดำเนินการจากนั้นเขาก็ลงมือเลยใช่มแมาตุ้มม า, ม, ม, า ม, มาตุ่มมาลุมมาลุมมาตุ่มเราก็คอยดูเวเมื่อไปถึงนึ่นเราจ ะ, ะไรของดีไหมเราจะเพิ่มอะไรไหม เราจะเพิ่มยอดทองคำไหมเราจะเพิ่มหินแกรนิตหินอ่อนตรงไหนอย่างไรไหมอันนั้นเราก็มาพูดอีกที่หนึ่ ง, นน เ, พงเพิ่มเข้าไปในความสวยงามความแน่นหนามั่นคงอันนั้นเราต้องพูดกันแต่แบบแปลนก็อยู่ในระดับหนึ่งนี่แหละจุดนั้ น, ห, นหลวงพ่อจะเด เมื่อลงมือก่อสร้างแล้วหลวงพ่อจะติดชี้แจงให้กับกับคณะทศัทา ญ, ญาติโยมโลูกหลานได้ยินได้ฟังเรื่องเจดีของหลวงตาเนี่ยหลวงพอ่อ ใ, ใส่ใจอยู่นะคณะทศัทา ญ, ญาติโยมโลูกหลานนะหลวงพ่อใส่ใจหลวงพ่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่ที่จะทําให้ดีที่สุดนะแต่จะเสร็จมากน้อยแค่ไหนหลวงพ่ อ, อนั่นแหละดีขนาดไหนหลวงพ่อก็ต้องอาศัยบุญบา ร, รมีของหลวงตานะ่ะ สาธูเนอร์ท่านหลวงตามีเมตตาขนาดไหนก็ขอให้สำเร็จรุ่วรงไปถึงขนาดนั้นจะให้ลูกศิษย์ลูกหาพวกเราลูกหลานทั้งหลายได้หนักกหนักใจแต่บุญบารมีของหลวงตานี่ท่วมทน้นที่ของหลวงตาที่สั่งสมบารมีมาช่วยโรงพยาบาลเท่าไหร่ช่วยสาธารณประโยชน์เท่าไหร่ช่วยประเทศชาติเท่าไหร่ ทว่าเท่าไหร่เท่าไรคำนี้คืออะไรขนาดหาทองคําเข้าคลังหลวงก็ทั้งสิบามตันนะสัตยา ญ, ญาติโยมหนะลวงตานะอายุแก่ๆนะหาทองคําเข้าคลังหลวงสิบสามตันเงินสิบล้านกว่าดอลลาร์นะมอบให้คลังหลวงแห่งประเทศไทยเป็นสมบัติกลางนะเมื่อเราพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้กับเงินก้อนนี้แหละทองคํำนี่แหละเป็นหลักประกันไม่ให้เงินมันตกต่ํา คือให้เงินมันคงที่นะนี่ยนหะลวงตาท่านคิดถึงขนาดนั้นช่วยประเทศชาติบ้านเมืองแต่มาถึงองค์ของท่านนะลูกหลานไม่แต่ใจดำแล้วไม่มีใครช่วยกันไม่ใชไ่ไม่มีใครคิดถึงหลวงตาเลยก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะลูกหลานทั้งหลายเมื่อพระคุเมื่อหลวงตาทําคุณให้กับประเทศชาติกับลูกหลานขนาดนี้แล้วนะลูกหลานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะแสดงออก คนละมากคนละน้อยไม่ว่ากันแต่ไม่ให้หนักใจนะแต่ไม่ทํำเลยไม่น่าจะถูกต้องแปลว่าเราไม่ไม่ระลึกถึงบุญคุณของหลวงตานะเนี่ยหลวงตาเป็นบุคคลผู้มีอุปกรณ์ก่อนใช่ไหม บ, บุคคลผู้มีอุปกรณ์ก่อนพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตั้งเวทีตาอย่างไรในองค์ท่านไม่มากก็ต้องน้อยหลวงพ่อว่านะอันนี้หลวงพ่อได้พูด กล่าวแสดงความเครรารพคารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระราหันตสาวกในครั้งพุทธกาลตลอดถึงในยุคปัจจุบันถึงพ่อแม่วงศาคณาญาติของเราให้ความเคารพเป็นมาอย่างไรจนตลอดถึงการสร้างพระเจดีย์บูชาพระคุณองค์หลวงตาหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะเป็นแนวความคิดนะ ถ้ตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพนรนิเ น, น, นะ